ตันให้อธิษฐานตั้งสัจจาอาธิษฐานสวดกำลังจกักรพรรดิเพื่อน้อมนำกระแสนี้ไปทั้งสามแดนโลกธาตุข้าพเจ้าทั้งหลาย ท, าทั้งหมดทั้งมวลขอรัธนาบารมีกำลังสมเด็จองค์ปฐ ม, มถึงองค์ปัจจุบันปรมมหาจากักรพรรดิทุกๆองค์ บารมีรวมพระปฏิเจกพระโพธิสัตว์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตบารมีรวมหลวงปู่ดู่พ่อมะป็นโยเป็นที่สุดขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลบริเวณรูปลักษณ์ทิระเจ้าทั้งลายได้สร้างขึ้นจะเป็นรูปลักษณ์พุทธธรร ม, มสังฆะก็ตามรูปลักษณ์ของปู่ดู่หลวงปู่ทวดก็ตามจักรพรรดิก็ตาม ขอรารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลแผ่ไปทั้งสามแดนโลกธาตุขอเชิญเทพหกชั้นผมยี่สิบชั้นเทพพรมทุกชั้นทุกพบทุกพูมสวดกำลังจั ก, กรพัดพอมกันเพื่อเพิ่มกำลังพทุทธ ชีวิตังรมแมู่เจมิธรรมชีวิตธรรมแมูเจมิสังขังชีวิตังรมแม่ปูเจมิพุทธังวันธามิธรรมวันทามิสังขังวันธามิ ครุปชาอาจารยกุณังวันธามิมาตาปิโตกุณังวันธามิพระทตยิษากุณังวันธามินะโมท้าจาปะกะวะโตอาระหะโตพุทธะ นาโมทัสสะพากาโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมทัสสะกาลโตอะราหะโตสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจามิ ขามังสารังฆาจามิสังขังสารังคาจามิธุติยามติุทธังสารังฆาจามิธุติยามติธรรมังสารังคจามิ ภูตยามิสำคัสารนังกัจจานิสาติยามิพุทธังสารนังกัจานิสาตยามิธมังสารนังกัจจาิาตยาิสคัสารนังกัจานิ ปานาสิปาสาเวรามะนิสิกขาพุทังสัมมาทิยานิอเดนาธาณาเวรามนิสิกขาพุทังสัมมาทิยานิอัปปรมจาริยา เวรามิสิกาปทตังสัมมาทิยาณิมสาวาทาเวรามิสิกาปัตตัง วิโสทัตตานโมตัสสะภะคะวะโตอะหะสมมาสมปชัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตสมมาสมปชัสสะนโมตัสสะภะคะวะโต สัตว an an <c oughs> <c oughs> ์สมัสสพุทธะสพพทังอารัตนานังการุณธรรมารัตนานังการุณนังการุณีนามพุทธิสอันติมายะอิจิปะโวะ นโมโฆทิสัตโตอาคันติมายะอิจิพะโทวานโมโิสักโตอาคันติมายะนโมโฆทิสัตโตฯภรมะอันโยนโมโฆทิสัตโตฯภรมะอันโย namo suci sato p r a m a d น o yo tuo suo muha jte n า b h u t ะ samin ba p h a โ t o า a y a ัม m a ni k a t a ส tuo san sa pa tan a n tu yo tuo suo muha jte นาธรรมะสังิงปาปะกัโตมายาคามะอันนี้กาตังโทสังสัพพะอาตังที o นาสังสุโยโทสโ a หิตเตนาธรรมะสังิปาปะกัโตมายาขามะอันน การโทสัมผัสฟ้าฟังวมนาสันสุขนโมท่าจาพากาวาโตอาโตธรรม m ธรรมพุทธะนโมท่าจาพากาวาโตอะระหะโตา นาโมทัสสะพระพุทธโตอะระหะโตสมุทタสะนาโมโฆตายาพระพุทธทาเลตนะยามะนีโนภะระติสิส u หาสุตัมมะ พุทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพูชาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอาทีทานังวารังคันธังเศวรสัมมาเสดังอาหังวันทามิสุรโตอาหังวันทามิสาธโย หังวันทามิสัพสุขโพธะธรรมะสังฆาปุญญิณะโมโพธายาราพุทธไตรระตะนาญาณมาหินอบารัตสีสาหาตุตัณหาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ บูชาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาสีทางวารังคันธังสีวะริสมงหาเสลานหังวันทานิสุรโตอาหังวันทานิอาตุโยนาหังวันทานิสัพสุปูชาธรรมะสังฆูเชนิ นาโมพทธายะพระพุทธไตรลักษณ์ญามานพรันสีสะหาสุตตังนาพุทโธธัมโมสังโฆยะธาอุตโมนะบูชาบูชาธัมมะบูชาสังฆะบูชาสิทานังวะรังตัง สีวะริจามหาเสระอาหังวันธานิสุลโตอาหังวันธานิอาตโยอาหังวันธานิสัพสุภูตตาอามะสังฆาภูเธนินาโมภทตาญาภะวุตตาไตรยตนยานมาหินุปร สีตาชาติธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาอุตโมนะบูธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาสีทานังวารังตังสีวะริจนะหาเถระอาหังวันทาณีสุระโตอาหังวันทาณิอาตุโย อาหัวันธามิตัสโสพูทธะธรรมะสังฆูเชนินาโมพุทธายะราตุทะไตรตนะญามาหินปารัตสีสะหาสุตัมมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโ a บูชาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาชีธางวารังคันธ์ชีวารีสัมมาเหราหามวันทานิสุรโตหามวันทานิธาตโยหามวันทานิสะโสุปูชาธรรมะสังฆูเทนิ นาโมพธายะพุทไตรัตระหามะีนสารสีสหาสัจธรรมะพุทโธธมโมสังโฆยะถาพูทโนะบูชาบูชาธรรมะบูชาสังฆูชาทีทานังวรังตัง สีวลีจามหาเถระอาหังวันธานิสุรโตอาหังวันธานิอาติโยอาหังวันธานิสัพพโสพูทธะธรรมสังฆาปุชฌนินาโมพุทายะราพุทธายะตนะยานนาโะร สีดาชาตุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพูทโมนะพุทธะมุชาธรรมะมุชาสังฆะมุชาสีทาหนังวะรังตังสีวะริจาระหาเถระหาหังวันทาณิสุรโตหาหังวันทาณิทาตโย อาหันทานิปัสส um, so ุภูธาธรรมะสังฆูเชนินาโมภูธาญาราพุธาไทญาตนะาาณมาหิโนปะราตสีสาตัสสันมาภูโทธรรมโมสังโฆยะธาภูโทนา กูชากุชานะมูชาสัมภะมุชาสีธางวะรังคันธ์สีวะริจามาหาเถรงอาหังวันทานิสุรโตอาหังวันทานิตาตโยอาหังวันทานิสัพสุูชามะสังฆาุเชนิ นาโมพุทธายะพะพุทธไตรลัตนณ์าณมาหีนุสระสีขาหาสัจธรรมนาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาอุตโมนาบูชาบูชาธรรมนาบูชาสังฆบูชาสีทานังวะรังขันธัง สีวะริจามาหาเถรอาหังวันรรทานิสุรโตอาหังวันรรทานิธาติโยอาหังวันรรทานิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆาปุชฌนินาโมพุทธายะลาพุทธะไตรยตระยานนาโมภะรา สีสะหาสาสุขธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพูทโมนะบูธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาสีทาณังวะรังตังสีวารีสนาหาเถรอาหังวันทามิสุรโกอาหังวันทามิทาตโย อาังวันทานิสัพสะโสพุทธะธรรมะสังฆาภูเชนินาโมพทธายะราพุทธะไตรลักษญาณมาหิโนภารตสีสาหาสุตธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโนา บูชาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาสีธางวารังคันธ์สีวรีจะมหาเหตรังอาหังวันธามิสุรโตอาหังวันธามิอาติโยอาหังวันธามิสัพปะโสบูชทธรรมะสังฆบูเชนิ นาโมพุทธาะรพุทธาติราชัญญามะนีนุรัสีกาหาศาสานาพุทโธธรมโมสังโฆยะาอูตโมนาบูชบูทาธรรมะบูชาสังฆบูชาขีทานังวารังต <t luggage worldwide> ัง สีวะริจามาหาเถระอาหังวันทามิสุรโตอาหังวันทามิทาสโยอาหังวันทามิสัพสโสพุทธะธรรมะสังฆาปุถะนินะโมพุทายะพุทธะไตรยตนะยามะนีโนภาระ สีสาหาสุทรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยาธาพูทโมนะพูทธะมุชาธรรมะมุชาสังฆะมุชาสีธานังวารังตังสีวะริสมหาเสราอาหารวันทาณิสุรโกอาหารวันทาณิทาตโย อาังวันทานิปปัโส <wonder> ุภูต้าธรรมะสังฆาูเชนินะโมพุทธายะพระทไยธมญามะนีปารัสีสาหาสุตัมนาพูทโธธมโมสังโฆยถาภูโมนะ ูทะูทาธัมมะูทาสังฆะูทาชีทานังวะรังตันทะชีวะริสังหาเถังอาหัวันทามิสุรโตอาหัวันทามิทาติโยอาหังวันทามิสัพปะโสูทะธัมมะสังฆะูเจมิ นาโมพุทธายะพรธพุทธายะตนะยานมาหินปสารสีสะหาสัตตมนาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพูทโมนะพูทธามุตตาธรรมะมุตตาสังฆามุตาสีธาณังวะรังตัง สีวะริจามาหาเถระอาหังวันทานิสุรโตอาหังวันทานิทาตโยอาหังวันทานิตัสโตพุทธะธรรมสังฆาปุชฌ i ินาโมพทธายะลาุทธะไตยณายะนาโมพระร สีสาหาสุตัมมะพุโธธรรมโมสังโฆยะธาอูโมณะโทาโูทาธรรมะโมทาสังฆโมทาขีทานังวารังตังศีวารีจารมหาเังอาหังวันทาณีตุระโตอาหังวันทาณีอาติโย อาัวันธามิปปะโสปุถะธรรมสังฆูเชนินาโมพุทธายะาพุทธายะตนะยานมาหิโนปรัตสีสาหาสุธรทมาปุถะธรรมโมสังโฆยะถาอุโมนา บูชาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาสีธางวารังคันธ์สีวะริจามหาเถระอาหังวันทานีสุรโกอาหังวันทานีอาติโยอาหังวันทานีสัพพโสบูชาธรรมะสังฆบูเชนิ นโมพุทธายะพระพุทธไตรยตนักญามาหินุสารศีสาหาสุังนะพุทโธธรมโมสังโฆยะถาอุตโมนะปุถารูชาธรรมะปุถารังตะปุถารีทานังวะา ปาดีจะมาหาเถระอาหังวันธานีสุระโตอาหังวันธานีอาติโยอาหังวันธานีสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆาปุถนินาโมพทธายะราพุทธะไตรยสังามาหินุปรั สีสาหาชาติธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยาธาอุโมนาปุทาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาสีทานังวารังการังชีวารีสหาเถระอาหังวันทามิสุรโกอาหังวันทามิอาติโย อาหังวันธานิอัปโสุภูธาธรรมะสังฆูเชนินาโมภูธาญาภราภูธาไพรตนะยาณาหิโนภารัตสีสะหาสัมนาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาภูโมนะ บูชาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาสีทางวารังคันธ์สีวะริสังหาเถระอาหังวันธานิสุรโตอาหังวันธานิตาตโยอาหังวันธานิสัพสุโรบูชาธรรมะสังฆบูเชนี นาโมพุทธายะราพุทธายะตนะยามาโนปรติสิสาหาสุตมนาโพธโมสังโฆยะถาพุทโมนะบูชาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาทานังวะรังคันธัง สีวาริสัมหาเหรังอาหังวันธามิสุรโตอาหังวันธามิทาติโยอาหังวันธามิสัพปโสโหตหาธรรมะสังฆีเชียริเอาไปกำหนดไปทั้งสามแดนโลกธาตุ กำหนดไปที่บิดามารดาและหมย่าทั้งหลายผู้มีก็คุณผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยววันเจ้ากรรมในเรนเนีสัพเพผู้ธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาภาลัปปตาปัเจกานั่นจะยังคาลั ฮาลหันตานันจะาเอเซนารักขังอาปโสสาธิตพุทธาสาธิตธรรมาสาธิตสังฆาฮาลาปัสตาสาธิตกานันจัยยันทลังฮาลหันตานันจะาเอเซนารักขัง สัจเจพุทธะสัจเจธรรมาสัจเจสังฆะอาลับสัจเจสัจเจฆานเจยามะฆานัจฆานสัจเจเฉนะรักขมปันธามิสัพโสสัจเจพุทธะสัจเจธรรมาสัเสังฆา ภัจจาเจกานันเจยังพลังหลหันจานันจะเทเสนารักขังปันธานิสัตตสุาเจพุทธาสาเจธรรมาัาเจสังฆาภัาเจกานันเจยังพลัง อาลานาลานาเอเสนะรักขังปันฐานิสตุภูตังอาธิฐานิธรรมังอาธิฐานิสามังอาธิฐานิ อ่าอาทิตฐานถ้าในอาิฐานรวมกําลังจั ก, กรพัดที่เราสวดทุกวันเวลาสัปเทถ้าให้นึกถึงพระทรงเครื่องจะเป็นพระแก้วแดงก็ได้จะเป็นพระแก้วมรกตหรือพระที่วัดนาพระเมนพระที่ทรงเครื่องะมันเป็นรูปลักษณ์ของจั ก, กรพัดหรือพระอาหาร ขอบารมีหลวงปู่ดูท่านขอท่านรวมให้ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตแผ่ไปให้ใช้สามแดนโลกธาตุแผลให้ประเทศไทยดูที่แผนที่แผลให้พระเจ้าเป็นดินองค์ปัจจุบันแผลให้ตัวเองครับ เพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังกาภาระปัสกาปัจเจกนันจะยังเวรังหาระหันจานันจะเอเจนารักขัง ja พันธะมีสัพะโส สัเพพุทธาสัเพธรรมาสาพเพสังฆะอาระปัสสะปัจเจกันยังบาลังอาระหันตานันจะาเอเจนะรักขังปันตาณิสัพสะ พุทธาสัตตธรร ม, มาสัตตังคาภาระปับบสสะปับบเจตานันติยังวะรังอาราหันต า, านันสเดเจนราภขังนิสปาโสุพุทธังอาธิทามิ าสามคังอธิฐานนี้สามครั้งอธิษฐานนี้เสร็จแล้ว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 รวมบุญกุศลที่เราสร้างมาในอดีตถึงปัจจุบันมันจะรวมวันนี้ด้วยให้รวมทุกวันตอนสวดสองทุ่มครึ่งให้รวมโดยขอกำลังรวมรลวงพ่อหูครับพรมะเป็นโยขอท่านรวมบุญกุศลบนบรารมีที่ข้าพเจ้าทั้งหลายเคยสร้างมาตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่ทานสีเนกขมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาอุเบขาและทัศภารณีเพื่อนำกําลังนี้มาเป็นประโยชน์สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังธา อ้า uh ปัสสาพะเปโตรจาระเปธธรรมะสัพเพสังฆาภารปัจสาวะเชตานันเจียยังวะราภานันตานันจเตเจนารังนิสปัสสาวะ สัพเพปุชชาสัพเพธัมมะสัพเจจังชาธาตุปัสสะสัพเพสามัญเชยังวะรังหาหันตานันสัพเเสนาหัตถ์นิสัพพโสพุทธังอธิขามิ ธรรมะอธิษฐานิสังทางอธิษฐานิ